เช้านะเราก็สาธยายข้อความที่เตือนใจเรามีข้อความอยงที่ควรจะระลึกอยู่เสมอนะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วนะนะมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์ย่างเอาแล้วหมายความว่าตอนนี้เนี่ยทุกเนี่ยมันก็อยู่กับเราแล้ว แล้วยังมีทุกข์ที่รอเราอยูอ่ที่เราต้องไปเจอไอ้ทุกข์ที่ว่านั้นได้แก่อะไรบ้างนะเราก็ได้สาธยาไปแล้วเช่นกันนะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจ ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพาจากสิ่งที่รักพอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเราก็จะต้องเจออีกหรือว่าขณะนี้ก็กําลังเจออยู่กําลังประสบอยู่ชีวิตคนเรานะตั้งแต่ เราปฏิสนธินะจนกระทั่งคืนสู่ดินน้ำไฟลมก็ต้องล้วนแต่ประสบกับสิ่งที่พูดมาทั้งสิน้นนะตั้งแต่เกิดจนะนตายไม่ว่าเราจะมีความสุขมีความสำเร็จนะมีความ ปาบปพ้่มยินดีเพราะเหตุใดก็แล้วแต่จะมากหรือน้อยก็ตามแต่เราก็หนีสิ่งที่ได้พูดมาเหล่านี้ไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันก็แต่ว่าไปแล้วนก็หนีไม่พ้นความทุกข์สิบสองอาการที่เราได้สาธยายมา เป็นความทุกข์ที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งก็ไปหาหมอทั้งหมอสมัยใหม่หมอดูหมอพระก็มีทมารู้จักพระรูปหนึ่งนะท่านเป็นหมอสมุนไพรแต่ว่าก็มีคนเนี่ยมาหาท่านเยอะเพราะเขาลือกันว่าท่านเนี่ย ดูหมอเก่งทำนายไทยทักได้แม่นเคยไปถามท่านท่านก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะก็ใส่ลายแทงที่พู้เจ้าได้ตรัสสอนนี่แหละก็คืนนี่แหละความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ไปยนถึงว่าโดยจะอุปท า, านขันธ์นขึ้นเป็นตัวทุกข์ท่านบอกว่าน outgoing, คนที่จะมาหาท่านเนี่ยก็มาด้วยความทุกข์ และความทุกข์ของเขาเนี่มันก็หนีไม่พ้นนะความทุกข์สิบสองอาการนี่แหละโดยเฉพาะเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทนะ่านไม่ได้ดูหมอแม่นนะ แต่ท่าอาศัยคําสอนของพุทธเจ้านี่แหละทำให้มองคนออกนะว่าที่เขามาหาท่านเนี่ยแน่นอนต้องมาหาด้วยความทุกข์คุยไปสักพัก ก, ก็รู้วทุกข์เพราะอะไรนะพวกเราเวลามีความทุกข์เหมือนกันนะก็มองให้ออกนะว่าเราทุกข์เพราะอะไรที่จริงเนี่ย ถ้าเราลองพิจารณานะความทุกข์สิอาการเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทนะอันแรกนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดแก่ตายป่วยก็มีนะแต่อยู่ในความโศกความรำไรลาพันธ์ความไม่สบายกายเนี่ยความไม่สบายกายนี่คือป่วยอันที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดแก่ตายแต่ก่อนจะตายก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจ ปาธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งในแนวพุทธศาสนาก็เรียกว่าอ น, นิถารลมอ น, นิถารมก็คือเสื่อมราบเสื่อมยศนะสาระแล้วก็ถูกนินทาแล้วก็ทุกข์นะอันที่สเป็นเรื่องของความรู้สึกโดยเพราะเนี่ยความโศความร่อละลําพันธ์มอไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแย่งใจนี่เป็นเรื่องความรู้สึก นะอีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องสภาวะอันสุดท้ายนี่แหละนะว่าดุจย่อุปาทานขันทั้งคเป็นตัวทุกข์เพราะว่าตัวทุกข์ในที่นี้เนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงความรู้สึกทุกข์นะเพราะว่าอุปาทานขันตังคาเป็นตัวทุกข์เนี่ยแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ เป็นตัวทุกข์เหมือนกันจริงๆ ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะมันไม่มีชีวิตจิตใจแต่มันก็ยังเป็นตัวทุกข์นะอันนี้รวมไปถึงก้อนหินต้นไม้นะสารารถยนต์เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์ในที่นี้จึงไม่ใช่เป็นความรู้สึกแต่เป็นสภาวะ นะความรู้สึกสุ ข, สขทุกข์นี่มันเอาไว้ใช้กับคนหรือสัตว์นะเช่นความโศกความรลื่อมลัยลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเครียดใจเนี่ยตรงนี้แหละที่มันเป็นทุกข์ในอริยสัจสี่นะทุก อ, นนอริยสัจสัจ4เนี่ยท่านจะเล็งถึงตรงนี้แหละภาษาบาลีเขารีทุกขะทุกขตานะคือความรู้สึกสุขทุกข์นะซึ่งมันมีเฉพาะเจอดองกับสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก ส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยหรือรวมทั้งสิ่งมีชีวิตเนี่ยหนีไม่พน้นตัวนี้แหละตัวทุกข์ภาษาบาลีเขาใช้คําว่าสังขารทุกขตาคือสภาวะมันไม่ใช่ความรู้สึกสุขทุกข์มันไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์แต่มันเป็นความหรือเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยที่ขัดแย้งกันนะอันนี้ว่ากันแบบ ครุมคุมเลยสภาวะที่ถูกบีบคั้นกดดันเพราะปัจจัยต่างๆที่มาประกอบเป็นตัวมันนี่มันขัดแย้งกันเอาง่ายๆเนี่ยเราป่วยเนี่ยนะป่วยนี่ก็เป็นทุกข์ใช่ไป่วยเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันที่มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันเกิดขัดแย้งกับร่างกายเราเช่นมันไปปล่อยสารพิษนะ หรือว่ามันไปทำให้เกิดเนื้อร้ายพอมันขัดแย้งกันแล้วมันขัดแย้งกันหนักแล้วก็ป่วยไม่ว่าจะเป็นเชื่ออะไรก็ตามหวัดนะบอดบวมนะมันไปทำความขัดแย้งให้เกิดขึ้นนะกับเอาไว้ยต่างๆในร่างกายเช่นปอดบ้างหัวใจบ้างบางทีมันเล่น ง, งานไปถึงระดับเซลล์เลยก็เกิดผลคือความเจ็บป่วยนะเรียกว่าทุก เนื้อมะเร็งเนื้อไร้มะเร็งก็เหมือนกันนะเนื้อไร้มะเร็งเนี่ยมันไปก่อความขัดแย้งกับร่างกายอวัยวะมันไปแย่งชิงสารอาหารจากอวัยวะต่างๆมันก็โตเอาโตเอาโตเอาส่วนอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆมันก็แย่ลงแย่ลงตายเพราะถูกแย่งอาหารมะเร็งเนี่ยมันไปแย่งอาหารนะจากเนื้อเยื่ออวัยวะที่อยู่รอบข้างมัน มันโตเอาโตเอาแต่ไม่ทำประโยชน์อะไรเลยส่วนเนื้อเยื่อที่มันทำประโยชน์ถูกแย่งอาหารไปก็ตายก็เกิดความขัดแยง้งผลคืออะไรร่างกายถูกกดดันกลายเป็นความเจ็บความป่วยนั่นเราก็เรียกว่าทุกข์นะไม่ใช่เฉพาะร่างกายา ว, วิวัติสิ่งมีชีวิตนะสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือวัตถุเนี่ยเช่น เสาสาลาเนี่ยมันก็เป็นตัวทุกข์นะเพราะว่ามันถูกกดดันบีบคั้นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันขัดแย้งกันเช่นความชื้นหรืออุณหภูมิหรือเชื้อรามันก็เข้าไปกัดกร่อนนะกัดกร่อนตัวเนื้อไม้ มันไม่ได้เสริมนะแต่มันขัดแยง้งเนื้อไม้ก็เลยเริ่มเสื่อมเสื่อมเสื่อมแล้วก็สุดท้ายก็ผุนะแล้วก็วันดีคืนดีเสาสลากก็ขาดบางทีมันก็มีตัวปลวกมานะปลวกหรือมแมลงก็เข้าไปกัดกินเนื้อไม้อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ขัดแยง้งระหว่างเนื้อไม้กับมแมลงนะมันไม่ได้เสริมก็แต่มันขัดแย้งันก็เลยผุไป เหล็ ก, กเหมือนกันนะเหล็กก็เป็นตัวทุกนะเพราะว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ข้างในอากาศคือออกซิเจนเนี่ยก็ไปทําปฏิกิริยากับเนื้อเหล็กนะมันทําให้เกิดสนิมเนออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวกัดนะออกซิเจนที่เราหายใจนี่แหละมันเป็นตัวกัดมันไปทําให้เหล็กเนี่ยเป็นสนิมนะพอสนิมเกิดขึ้นมันก็เนื้อไม้เออเนื้อเหล็กมันก็ค่อย ผุไปนะท้ายก็พังออกซิเจนที่เราหายใจนี่มันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะเดี๋ยวนี้มันมียาชนิดหนึ่งเรียกว่ายาต้านอนุมูลอิสระเป็นอาหารเสริมแอนตะี้ออกซิเดนเนี่ยเดี๋ยวนี้ขายดีออกซิเดนเนี่ยคือออกซิเจนนั่นแหละอนุมูลอิสระเนี่ยคือออกซิเจนนะที่มันเข้าไปเข้าไปก่อกวนรังควานเซลล์ในร่างกายเราทําให้เสือเส่อมลงเสื่อมลง แล้วก็อาจจะทําให้เป็นมะเร็งนะออกซิเจนนี่ขนาดเหล็กนี่มันยังกัดจนผุพังไว้นะร่างกายเราเอา ว, วัยวะเราเนื้อเยื่อเรามันจะไหวได้ยังไงนะถ้ามันมีพวกเอ็ก อ, อกซิเดนเยอะมันเข้าไปกัดอันนี้ก็เรียกว่าเจ็บป่วยเพราะความขัดแยง้งเพราะปัจจัยมันขัดแย้งกันนะร่างกายคนเราชีวิตคนเรานะ จะว่าไปก็เหมือนกับเครื่องบินนะที่มันทยานขึ้นฟ้าถามว่าเครื่องบินเนี่ยมันทยานขึ้นไปได้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันมีแรงยกนะที่ดันให้มันสูงขึ้นมันมีการต่อสู้ขัดแย้งกันนะระหว่างแรงยกกับแรงดึงดูดปกติคนเราเนี่ยมันไม่มีแรงยกหรอกพอเราโดดลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกดูดลงสู่พื้น แต่เครื่องบินเนี่ยมันลอยขึ้นไปได้เพราะว่าแรงยกมันมากกว่าแรงดึงดูดมันต่อสู้กันอยู่นะแต่ว่าแรงยกมันเยอะกว่านะมันก็ลอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้เท่มีชีวิตอยู่ได้เนื้อเพราะว่าปัจจัยเสริมเนี่ยมันมากกว่าปัจจัยปัจจัยบัทฑรในตัวเราเนี่ยนะมันมีความเกิดดับเกิดขึ้นตลอดเวลา คูยอดแต่ว่าความตายมัอยู่ในชีวิตเนี่ยตัดมา 2,600 ปีแล้วเนี่ยมันจริงทีเดียวเลยนะเพราะว่าทุกขณะในร่างกายเรามันมีเซลล์ที่เกิดแล้วก็ดับมันมีเซลล์ที่ตายอยู่ทุกเวลาทุกเวลาเขาคํานวณประมาณ5้าหมื่นถึงแสนและแสนล้านเซลล์ใน1วันเนี่ยมันมีเซลล์ตายในร่างกายเราประมาณ5้าหมื่ถึงแสนล้านเซลล์แต่ที่เราไม่เจ็บไม่ปวดเพราะว่า มันมีการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนหรือเซลล์ใหม่มากกว่าเนะี่ยมันมีการต่อสู้กันนะระหว่างความเกิดความดับในร่างกายถ้าเกิดมากกว่าดับนะคือเซลล์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมามากกว่าเซลล์ที่ตายไปเราก็ยังสุขภาพดีแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยความดับมันมา ก, กวาความเกิดนะความดับมันก็จะเริ่มชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความแก่ เซลล์มันที่ตายไปมันมากกว่าเซลล์ที่เกิดก็เกิดความแก่นี่เรียกว่าทุกข์แล้วแล้วถ้ามันดับมากๆเซลล์ที่เกิดเนี่ยน้อยลงน้อยลงนะก็ตายมันก็เหมือนกับเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยตอนนี้มันยังบินได้ลอยบนฟ้าเพราะว่าแรงยกมันมากกว่าแรงดึงดูดแต่ถ้ามันได้ก็ตามนะสมมุติว่า น้ำมันหมดนะน้ำมันหมดเนี่ยมันก็บินต่อไปไม่ได้แล้วแรงยกก็จะน้อยลงก็จะแพ้แรงดึงดูดแรงดึงดูดก็จะดึงก็จะดูดให้เครื่องบินตกลงมากระแทกพื้นตอนนี้ชีวิตของคนหลายคนมือเครื่องบินซึ่งกำลังจะลอดลงนะกำลังจะลอดลงนะเพราะว่าแรงยกเนี่ยนะมันค่อยๆน้อยลงแล้ว ขณะที่แรงดึงดูดเนี่ยมันเริ่มจะมีชัยชนะนะอัตมาในีตอนนี้ก็อยู่ในภาะวะที่เครื่องบินกาลังจะล่อนลงแล้วนะเพราะว่าปัจจัยเสริมเนี่ยมันสู้ปัจจัยบันทอนไม่ไดนะ้เป็นเครื่องบินก็เหมือนกับว่าแรงยกมันค่อยๆลดลงแต่แรงดึงดูดที่มันยังเท่าเดิมก็ดูดเครื่องบินค่อยๆล ง, ลงนะแล้ววันหนึ่งนะเครื่องก็จะต้อง ล่อนสู่พื้นอยู่ที่ว่าจะล่อนแบบไหนนะล่อนแบบลงสู่พื้นแบบนุ่มนวลหรือลงสู่พื้นแบบกระแทกนะเครื่องบินเนี่ยจำนวนมากนะเวลาลงสู่พื้นก็กระแทกกระแทกกับพื้นคือเราครัชแลน n ิ้งนะ ก็เรียกว่าเกิดความพิบัติแต่มีน้อยลนะําหน้าที่ค่อยๆล่อนสู่พื้นอย่างนุ่มนวลเรียกว่า soft landing อันนี้เรียกว่าตายแบบตายแบบตายแบบสบายนะแต่จํานวนหนึงตายแบบไม่สบายนะไม่ได้หมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าจิตใจทุรนทุราย นคำว่าไอ้ตัวทุกข์นี่ให้เราทําความเข้าใจดีๆนะว่าโดยย่ออุปาทานฐานทั้งค่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกทุกข์แต่มันหมายถึงความหรือสภาวะที่ถูกบีบคั้นนะเพราะปัจจัยขัดแย้งกันปัจจัยที่เกี่ยวข้องนั่นแหละขัดแย้งกันอย่างที่เล่ามาครานี้เนี่ยนะเรารู้สิ่งนี้เพื่ออะไรนะ เพื่อรู้ว่าในเมื่อเป็นตัวทุกข์แล้วอย่าไปยึดมั น, นมันเหมือนกับว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะไอ้ขันทั้งห้านี่คือสิ่งทั้งหลายนั่นแหละนะมันเปรียบดังฐานก้อนแดงๆฐานก้อนแดงๆนะที่มันกำลังลุกไหม้เนี่ยถ้ามันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย ไม่เป็นอะไรหรอกเราไม่เป็นอะไรแต่พอเราไปยึดมันเข้าไปเนี่ยไปจับมันอ้วมันเผาเทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีผู้เจ้าเนี่ยสอนให้เราตระหนักว่าสิ่งทั้งปวงเป็นตัวทุกข์นะก็คือว่ามันเนี่ยมีความเสื่อม มันมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ข้างในหรือว่ามันปัจจัยที่เกี่ยวข้องมันขัดแย้งกันมันก็เลยรอแต่ว่าจะเสื่อมหรือเมื่อไหร่หรือจะดับไปเมื่อไหร่เหมือนเครื่องบินเนี่ยนะที่ไม่ว่าจะบินขึ้นฟ้าอย่างไรสุดท้ายก็ต้องล่อนลงเครื่องบินทุกรำเนียมันต้องมันต้องล่อนนะมันต้องลงสู่พื้นดินในที่สุด อยู่ที่ว่าจะลอนลงแบบนุ่มนวลหรือว่ากระแทกกับพื้นนะทุกอย่างเนี่ยมนล้นแล้วแต่ต้องเสื่อมต้องดับนะเพราะมันเป็นตัวทุกข์เพราะมันมีความขัดแย้งกดดันบีบคั้นอยู่ข้างในทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเพราะตัวมันเองจะเอาตัวไม่รอดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยความเสื่อมความพัดพรา่าความสูญเสียประสบกับสิ่งไม่ไม่รักไม่พอใจอันนี้ก็เป็นความเสื่อมชนิดหนึ่งนะเช่นเจอความป่วยเนี่ยนะเจอความป่วยความป่วยก็คือความพร่องความไม่สมบูรณ์พัดพร่าจากสิ่งที่เราที่พอใจเพราะอะไรก็เพราะมันเสื่อมไปเพราะมันเสียไป มันจะเป็นคนศัสตร์สิ่งของไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนะในเมื่อเราเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นตัวทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกอย่าไปยึดมันนะยึดเมื่อไหร่เนี่ยนะมันเติมใจทุกข์ได้เลยนะผู้เจ้าสอนเรื่อง ทุกเพื่อให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างถูกต้องซึ่งจะทําให้เกิดผลตามมาคือไม่ทุกข์นะคือไม่เกิดความรู้สึกสุขไม่เกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเกี่ยวข้องไม่ถูกนะความทุกข์ก็จะเกิดกับเราเกี่ยวข้องไม่ถูกคืออะไรก็ไปยึดหรือไปอยากนะอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหรือว่ายึดให้มัน คงที่คงตัวไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นการกระทำที่ผิดนะเป็นการวางใจที่ผิดเพราะว่ามันสวนทางกับความเป็นจริงเขาเรียกว่ามันฝืนกระแสนะฝืนกระแสแห่งเหตุปัจจัยฝืนความจริงความจริงคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะมันก็ต้องเสื่อมต้องดับไปเพราะมัน เป็นตัวทุกข์เพราะมันมีความขัดแย้งกดดันบีบคั้นอยู่ข้างในหรือพอเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต่อสู้ขัดแย้งกันดั้นถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะทุกข์เพราะว่ามันจะไม่เป็นไปอย่างที่อยากถ้าเราไปยึดว่าเนี่ยมันต้องเที่ยงมันต้องสุขนะ อย่างเช่นไปยึดว่าร่างกายเนี่ยมันต้องเที่ยงนะมันต้องไม่แก่นะมันต้องเต่งตึงมันต้องมีกําลังวังชาอยู่เสมอนะอันนี้อันนี้ผิดละไม่ได้ผิดศีลนะแต่มันผิดธรรมคือผิดความจริงสวนทางความจริงถ้าเราไปยึดว่ามันต้องสุขเนี่ยนะอันนี้ก็ผิดละไม่ใช่ผิดศีลนะแต่ผิดธรรมเพราะว่า แค่นั่งเนี่ยปรเดี๋ยวเดียวนี่ก็เมื่อยแล้วนะไอความเมื่อยเนี่ยความปวดมันสอนว่านะสังขารเนี่ยไม่ใช่สุขนะสังขารร่างกายเนี่ยมันทุกข์ที่ว่าความทุกข์อย่างเอาแล้วเนี่ยคือตรงนี้แหละนะนั่งไปสักพักเดี๋ยวอ้าวความทุกข์มันแสดงตัวมาแล้วความทุกข์นี่มันก็แสดงตัวตลอดเวลานะแต่ว่าบางทีแล้วบางช่วงเรามองไม่เห็นไม่สังเกต ต้องใช้เวลานานหน่อยนะความทุกข์มันจึงแสดงตัวออกมาไอ้ความทุกข์ที่อย่างในตัวเราเนี่ ย, ยที่พูดเมื่อตอนแรกเนี่ยมันแสดงตัวออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปยึดให้มันเที่ยงให้จะยึดให้มันสุกเนี่ยไม่ได้ถ้ายึดไปก็ผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความคับแค้นใจความไม่สบายใจความผิดหวังนะ เกิดอาการตีโพยตีภายทุร น, ท, รนทุรายกระสับกระสายนะเห็นหน้าตาเริ่มนะแก่ชารามีตีนกามีเหยียวยน่นผมงอกฟันฟางก็เริ่มนะโยกคลอนนะถ้าเราไม่ไปยึดนะว่ามันต้องเที่ยงว่ามันต้องสุกนะพอมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไปยึดเอาไว้ นะว่ามันต้องเที่ยงว่ามันต้องสุขเพราะอยากนะให้มันสวยตลอดเวลาอยากนี้เรียกว่าตัณหานะียึดนิอุปาทานและที่ทําเช่นนั้นเพราะอะเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นะหรือเป็นตัวทุกข์ให้ความเจ็บป่วดเป็นเรื่องธรรมดานะความแก่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่ทุกใจก็เพราะอะไรเพราะว่าวางใจไม่ถูกนะมีโยมคนหนึ่งนะอายุมาแล้วเจกว่าเป็นนักธุรกิจนนะเกี่ยวกับเรื่องบ้านจัดสรร น, นะ็บห้าก็ยังทำงานนะทั้งที่รวยมากลูกทุกคนนี่ก็ประสบความสเร็จในการงานเป็นหมอเป็นนายกเทศมนตรีนะี โยนทา ง, งานหนักจกนกระทั่งเป็นโรคพากินสันมือสันเดินไม่ได้ต้องนั่งรถมาหาตมมามาได้สีหน้าที่หม่นหมองคุยกันสักพักหนึ่งโยมก็พูดว่าเนี่ยฉันทำผิดอะไรนะถึงต้องมาเป็นแบบนี้โยมคงเข้าใจว่าชาติที่แล้วไปทำอะไรมาเนี่ยชาติจึงเจอวิบากแบบนี้ อาตมาก็ตอบว่าโยมทําผิดแน่จึงเป็นอย่างเงี้ผิดข้อแรกคือว่าไม่เชื่อฟังร่างกายนะร่างกายเนี่ยมันก็เคยเคยส่งสัญญาณไปบอกโยมหลายครั้งแล้วว่าฉันเหนื่อยขอพักหน่อยโยมก็ไม่ฟังโยมก็ทํางานทํางานไม่ฟังเสียงร้องไม่ฟังสัญญาณจากร่างกาย มันอาจจะส่งสัญญาณหนักขึ้นมาเรื่อยๆเช่นอาจจะป่วยเป็นหวัดบ้างเป็นนั่นเป็นนี่บ้างเป็นสัญญาณเตือนดวงก็ยังไม่อยู่อีกดวงยังทำงานนอนก็ไม่พอพักผ่อนก็ไม่เพียงพอนะสุดท้ายมันก็เลยนะุดนะป่วยเป็นพากินสันมือสันพูดไม่ค่อยชัดนี่ผิดข้อแรกนะคือไม่เชื่อฟังร่างกายนะ ใช้ร่างกายสมบุกสมบันเกินไปไม่ใช่เฉพาะคนตนนาะที่ใช้ร่างกายสมบุกสมบันเนี่ยคนรวยเนี่ยก็ทำอย่างนั้นเยอะเพราะว่าอาจจะอยากรวยหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ข้อที่2นะโยมเนี่ยไม่ได้ป่วยอย่างเดียวนะไม่ได้ป่วยกาอ ย, ายอย่างเดียวนะโยมป่วยใจยมีความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากการที่โยมเนี่ยทาผิดข้อที่สองก็คือ ไปอยากหรือไปยึดในร่างกายนี้เช่นยึดว่าร่างกายนี้มันต้องเที่ยงมันต้องสุขอยากให้ร่างกายนี้มีกําลังวังชามีสุขภาพดีเสมออันนี้เป็นความอยากความยึดที่มันผิดหมายความว่ามันสวนทางความเป็นจริงมันเป็นการฝืนกระแสความจริงถ้าโยมเนี่ยวางใจถูกนะ จะไม่มีความทุกข์ใจแม้ว่าร่างกายจะป่วยเพราะว่ารู้ว่าอมเป็นธรรมดานะร่างกายถึงวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปต้องป่วยต้องชราแต่นิยมเนี่ยวางใจผิดนะคาดหวังสวนทางความเป็นจริงฝืนกระแสเหมือนกับฝืนกระแสน้ำเชี่ยวนะมันก็ต้องถูกน้ำพัดพาไปอันนี้เรียกว่าทผิดนะเพราะไม่เข้าใจเรื่องทุกข์นะ เข้าใจเรื่องทุกข์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แต่เข้าใจกระทั่งว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์หรือว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นตัวทุกข์แม่ว่าร่างกายของเราทรัพย์สมบัติของเราหรือแม้แต่จิตใจความนึกคิดความจำแต่ก่อนเคยพูดได้แต่เนี่ก็พูดไม่ค่อยชัดแต่ก่อนคิดอะไรได้ว่องไว สัญญาทำงานดีแต่ตอนหลังเนี่ยสัญญาก็เริ่มแย่เนี่ยโดยเพราะโยโมเนี่ยถ้าไม่หยุดนะอาจจะเป็นอัลไซเมอร์นะพอเป็นอัลไซเมอร์แล้วความจำก็เลอะเรือนแล้วพอตอนเนั้นนะเราเข้าใจเรื่องทุกข์เอาไวด้ดีๆนะมันจะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องเช่นเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เราก็ไม่ยึดนะ พอถ้าเราไปยึดมันนะทุกข์ก็จะเกิดกับเราแต่ถ้าเราไม่ยึดมันเสื่อมไปใจเราไม่ทับแค้นนะไม่เป็นทุกข์ด้วยให้ความทุกข์มันหยุดตรงที่สรรพสิ่งทั้งปวงแต่ไม่ลามมาถึงตัวเราแต่ถ้าเราไปคว้านะฐานก็แด ง, งเมื่อไหร่นะ มันไม่ใช่ฐาน้ ท, ที่ทุกนะเราก็จะทุกข์ด้วยนะเพราะถูกฐานเนี่ยมันลวกเอาเผาเอาแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมันนะมันจะไหมก็ไหมไปนะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นอะไรนะนะเพราะนั้นเนี่ยวางใจให้ถูกเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงนะให้ถูกเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์นะแม้ว่าสิ่งทั้งปวงจะเป็นตัวทุกข์ก็ตามคาว่าเรานี่หมายถึงจิตใจนะ ส่วนร่างกายมันก็ต้องทุกไปตามสภาพของมันเอาช้าวนี่ยพูดกันเท่านี้ครับ